หพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากิเลสทั้งหลายอันไม่มีกําลังครอบเมืองนราชนนั้นอันตรายทั้งหลายย่อมยีนราช น, นั้นเพราะอันตรายนั้นทุกจึงติดตามนราช น, นั้นไปเหมือนน้ําไหลเข้าเรือรั่วฉะนั้นคําว่าอันไม่มีกําลังในคําว่ากิเลสทั้งหลายอันไม่มีกําลังครอบเมืองนราช น, นั้นอธิบายว่า กิเลสอันไม่มีกําลังคืออ่อนกําลังมีกําลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อยเล็วซามเสื่อมต่ําน่ารังเกียจยาบช้าเล็กน้อยกิเลสเหล่า น, นั้นย่อมเข้าครอบครองยึดครองครอบงําท่วมทับรัดกริงย่ำยีบุคคล น, นั้นรวมความว่ากิเลสทันน้งหลายอันไม่มีกําลังครอบงมนรชนนั้นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งศรัท ธ, ธาภละ วิริยะภลสติภะละสมาธิภะละปัญญาภละหิริภะละโอตตะปะภะละย่อมไม่มีแก่บุคคลใดกิเลศเหล่านั้นย่อมเข้าครอบครองยึดครองครอบงำท่วมทับรัดตรึงย่อมยีบุคคล น, นั้นผู้ไม่มีกำลังอ่อนกำลังมีกำลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อยเลวซามเสื่อมต่ำน่ารังเกียจหยาบช้าเล็กน้อย รวมความว่ากิเลสทั้งหลายอันไม่มีกําลังครอบงมนรชนนั้นอย่างนี้บ้างว่าด้วยอันตรายสองอย่างคําว่าอันตรายทั้งหลายในคําว่าอันตรายทั้งหลายย่ํายีนรชนนั้นได้แก่อันตรายสองอย่างคือหนึ่งอันตรายที่ปรากฏสองอันตรายที่ไม่ปรากฏอันตรายที่ปรากฏคืออะไรคือราชสี เสือโคร่งเสือเหลืองมีเสือดาวสุนัขป่าโคกระบือช้างงูแมงป่องตะขาบโจรคนที่ได้ก่อกรรมไว้หรือยังไม่ได้ก่อกรรมไว้โรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้พิษ ไข่เชื่อมซึมโรคท้องเป็นลมสลบลรงแดงจุกเสียดอหฮิวาตกโรคโรคเรือนฝีกลากมองคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหิดหูดโรคละลอกโรคดีซ่านโรคเบาหวานโรคเริมโรคผู้พองโรครีดสีดวงทวารความเจ็บป่วยที่เกิดจากดี ความเจ็บปวยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บปวยที่เกิดจากลมไข้จันนิบาศความเจ็บปวยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลความเจ็บปวยที่เกิดจากการผลักเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกันความเจ็บปวยที่เกิดจากความภาคเพียนเกินกําลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรลังความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ความเจ็บป่วยที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ปรากฏอันตรายที่ไม่ปรากฏคืออะไรคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกามาฉันทานิวรสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความพอใจในกามพยาบาทนิวรจิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม คือความคิดปองร้ายถีนมิทานิวรนสิ่งกั้นจิตไม่ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความหดหู่และเสื่อมซึมอุทัจจาปุกุจานิวรนสิ่งกั้นจิตไม่ใก้าวหน้าในคุณธรรมคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจชานิวรนสิ่งกั้นจิตไม่ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความลังเลสงสัยราคะโทจะมูหะโกทะความโกรธ อุปนาหะความผูกโกรธมัคคะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัชริยะความตรหนีมายาความหลอกลวงสาเถยยะความโอ้อวดธรมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นมะทะความมัวเมา ประมาทะความประมาทกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาภิสังขารทุกประเภทเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ไม่ปรากฏคําว่าอันตรายทั้งหลายอธิบายว่าชื่อว่าอันตรายเพราะมีความหมายอย่างไรชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำ ชื่อว่าอ well, ันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อมชื so ่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำเป็นอย่างไรคืออันตรายเหล่านั้นย่อมเข้าครอบครองยึดครองครอบงำท่วมทับรัดตรึงย่ำยีบุคคลนั้นที่ชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำเป็นอย่างนี้ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นอย่างไร เพื่ออันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสูญเพื่อความเสื่อมไปแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมอะไรบ้างอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสูญเพื่อความเสื่อมไปแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆ่าศึกการปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม การรักษาศีลให้บริบูรณ์ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้งหตาหูจมูกลิ้มกายใจความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียงเครื่องเตือนอยู่เสมอสติสัมปชัญญะความหมันจเจริญสติมมปทานสความหมันจเจริญสัมมาปทานสความหมันเจริญอิทธิบาทสความหมันจเจริญอินทรีย์หความหมันจเจริญพละห้า ความมันเจริญโพ่อชงเจ็ดความมันเจริญอริยมรตมีองค์8ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นอย่างนี้ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นมีอัตภาพเป็นที่อาศัยเปรียบเหมือนสัตว์ที่อาศัยรูย่อมอยู่ในรูสัตว์ที่อาศัยน้ําย่อมอยู่ในน้ํา สัตว์ที่อาศัยป่าย่อมอยู่ในป่าสัตว์ที่อาศัยต้นไม้ย่อมอยู่บนต้นไม้ฉันใดบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมเกิดในอัตภาพนั้นมีอัตภาพเป็นที่อาศัยฉันนั้นเหมือนกันที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุณลธรรมที่อาศัยยุนอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่กับกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่กับกิเลทออเทส ท, ลเลที่นอนเนื่องอยู่ภายในผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบาปอคุโสลธรรมทั้งหลายมีความดำริซ่านไปเกลื่อกูลแกสังโยชนย่อมเกิดขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะตาเห็นรูปบาปอกุโสณธรรมทั้งหลายย่อมอยู่ย่อมสั้นไปภายในของภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกพิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในบาปอกุโสณธรรมเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกพิสูจนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นภิกษุทั้งหลายอีกในหนึ่ง บาปอากุณธรรมทั้งหลายมีความดำริสั้นไปเพื่อกูลแก่สังโยชนิย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะหูได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นเพราะลิ้นลิ้มรสเพราะกายได้รับสัมผัสเพราะใจรู้ธรร ม, มารมบาปอากุณธรรมเหล่านั้นย่อมอยู่ย่อมสั้นไปภายในของภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับสิเลที่นอนเนื่องอยู่ภายใน บาปอากุณสธรรมเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุผู้อยู่กับกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุสธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้าง ว่าด้วยทำสามประการเป็นมนทินภายในสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำสามประการเหล่านี้เป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆาศึกภายในทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งโลภะเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆาศึกภายในสองโทสะเป็นมณทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆาศึกภายในสโมหะเป็นมณทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆาศึกภายในภิกษุทั้งหลาย ทำสารประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาาภายในเป็นฆ่าศึกภายในพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสสถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โลภะทําให้จิตกาเริบโลภะเป็นภัยที่เกิดภายใน คนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนโลภไม่รู้จักผลคนโลภไม่รู้จักเหตุความโลภครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้นโทสะขอให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โทสะทำให้จิตกำเริบโทสะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนโกรธไม่รู้จักผลคนโกรธไม่รู้จักเหตุ ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้นโมหะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โมหะทำให้จิตกำเริบโมหะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนหลงไม่รู้จักผลคนหลงไม่รู้จักเหตุความหลงครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้น ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุิสมธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ามหาบพิษทำสามประการเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุขทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งโลภธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุก์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกสองโทสะธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกเพื่อความอยู่ไม่ผาสุกสโมหะธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกเพื่อความอยู่ไม่ผาสุกมหาปภิธทำสารประการเหล่านี้แล เมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นตรัสเวยากรภาสิณนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นในตนย่อมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวซามเหมือนขุยไผ่กําจัดต้นไผ่ฉะนั้นที่ชื่อว่าอันตราย เพราะเป็นอกติสุธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นต้นเหตุความไม่ยินดีอุศิุรธรรมความยินดีกวามคุณซึ่งทําให้ขนลุกเกิดจากอัตภาพนี้บาปวิตกในใจเกิดขึ้นจากอัตภาพนี้ย่อมผูกใจคนไว้เหมือนพวกเด็กผูกตีงปลาไว้ฉะนั้น ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอคุสุลธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าอันตรายทั้งหลายย่ำยีนรชนนั้นได้แย่อันตรายเหล่านั้นย่อมเข้าครอบครองยึดครองครอบงาท่วมทับรัดรึงย่ายีบุคคลนั้นรวมความว่าอันตรายทั้งหลายย่ายีนรช น, นั้นคาว่านั้นในคาว่าเพราะอันตรายนั้น ทุกจึงติดตามนรชนนั้นไปอธิบายว่าเพราะอันตรายนั้นๆทุกจึงติดตามไปตามไล่ตามบุคคลนั้นเคยชาติทุกข์จึงติดตามไปตามไล่ตามชราทุกข์พญาทิทุกข์มรณะทุกขทุกข์คือความเศร้าโศกความครื่มครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความคลับแคลนใจทุกเนื่องจากการเกิดในนรก ทุกเนื่องจากการเกิดในกำเนิดเดรชาณทุกเนื่องจากการเกิดในเปตวิสัยทุกเนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย์ทุกเนื่องจากการถือกำเนิดในคันทุกเนื่องจากการอยู่ในคันทุกเนื่องจากการคลอดจากคันทุกที่สืบเนื่องมาจากผู้เกิดทุกของผู้เกิดที่เนื่องมาจากผู้อื่นทุกที่เกิดจากความพยายามของตนเองทุกที่เกิดจากความพยายามของผู้อื่น ความทุกกายทุกใจทุกที่เกิดจากสังขารทุกที่เกิดจากความแปรผันโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้พิษไข้เชื่อมซึมโรคท้องเป็นลมสลบลงแดงจุกเสียอหฮิวาตกโร โรคเรื้อนฝีกลากมองคล่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้าน ห, หิดหูดโรคละลอกโรคดี้านโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรครสีดวงทวารความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมไข้สันนิบาตความเจ็บป่วยที่เกิด จ, จ, จากการเปลี่ยนฤดูกาล ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการแปรเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผ้าเพลยนเกินกำลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากขนกำมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกข์ที่เกิดจากการสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทุกข์เพราะมารดาตายทุกข์เพราะบิดาตายทุกข์เพราะพี่ชายน้องชายตาย ทุกเพราะพี่สาวน้องสาวตายทุกเพราะบุตรตายทุกเพราะธิดาตายทุกเพราะความพินาศของญาติทุกเพราะโภคทรัพย์พินาศทุกเพราะความเสียหายที่เกิดจากโรคทุกเพราะศีลวิบัติทุกเพราะพิธิวิบัติจึงติดตามไปตามไล่ตามบุคคลนั้นรวมความว่าเพราะอันตรายนั้นทุกจึงติดตามนโรชนนั้นไปคําว่าเหมือนน้ําไหลเข้าเรือรั่ว อธิบายว่าเปรียบเหมือนน้ำไหลเข้าเรือรั่วคือน้ำไหลเข้าพุ่งเข้าทะลักเข้าตามรอยรั่วนั้นๆได้แก่น้ำไหลเข้าพุ่งเข้าทะลักเข้าด้านหัวเรือบ้างด้านท้ายเรือบ้างด้านท้องเรือบ้างด้านข้างเรือบ้างฉันใดเพราะอันตรายนั้นๆทุกจริงติดตามไปตามไล่ตามบุคคลนั้นคือชาติทุกทุกเพราะทิฏฐิวิบัต จึงติดตามไปตามไล่ตามบุคคล น, นั้นเหมือนกันฉันนั้นรวมความว่าเหมือนน้ำไหลเข้าเรือรั่วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ายิเลททั้งหลายอันไม่มีกําลังครอบงมนรชนนั้นอันตรายทั้งหลายย่ำยีนรชนนั้นเพราะอันตรายนั้นทุกจึงติดตามนรชนนั้นไปเหมือนน้ําไหลเข้าเรือรั่วฉะ น, นั้นหก พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงมีสติทุกเมื่อละการมทั้งหลายได้ครั้นละกรรมเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอเะได้เหมือนคนวิทน้ําเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นคําว่าเพราะฉะนั้นในคําว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงมีสติทุกเมื่อได้แก่เพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้น เพราะต้นเหตุนั้นสัตว์เกิดเมื่อเห็นโทษนั้นในการมทั้งหลายรวมความว่าเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์เกิดได้กแก่สัตว์คือนรชนมนุษย์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์คำว่าทุกเมื่ออธิบายว่าทุกเมื่อคือในการทั้งปวงตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิ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 ตลอดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนตลอดปฐ ม, มวัยมชิ ม, มวัยปัจฉิ ม, มวัยว่าด้วยผู้มีสติทุกเมื่อคําว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสีอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายสองชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายสชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิตสชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายชื่อว่ามีสติด้วยเหตุอีกสี่อยา่างสัตว์เกิดนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติรวมความว่าเพราะฉะนั้น จัดเกิดพึงมีสติทุกเมื่อคําว่าละกามทั้งหลายได้อธิบายว่าคําวอกตามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกามสองกิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามคําว่าละกามทั้งหลายได้อธิบายว่าพึงละกามได้โดยเหตุสองอย่าง คือ 1. โดยการข่มไว้ 2. โดยการตัดขาดบุคคลพึงละกามได้โดยการข่มไว้เป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกเพราะให้ความยินดีเล็กน้อยจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเพราะเป็นของทั่วไปแก่คนส่วนมากจึงละกามได้โดยการข่มไว้ เมื่อพิจารณาเห็นว่ากรามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงญ่าเพราะไม่ลุกลามจึงละกรามได้โดยการข่มไว้บุคคลกําลังเจริญในวัญญานาสัญญายตนะสมาบัติจึงละกรามได้โดยการข่มไว้บุคคลชื่อว่าพึงละกามได้โดยการข่มไว้เป็นอย่างนี้บุคคลชื่อว่าพึงละกรามได้โดยการตัดขาดเป็นอย่างนี้ รวมความว่าละกามทั้งหลายได้คำว่าเหล่านั้นในคำว่าครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคะได้อธิบายว่าสัตว์เกิดกำหนดรู้วัตถุกามแล้วละละเวนบันเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสกามละละเวนบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีก ซึ่งกลามฉันทานิวรและละเว้นบันเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งพยาบาทนิวรถีนมิทานิวรอุโอทัต จ, จกปุกุ จ, จนิวรวิจิกิจฉานิวรพึงข้ามข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยกามโมคะห่วงน้ำคือกลามพระโวคะห่วงน้ำคือภพทิถโคะห่วงน้ำคือทิฐิอวิชโชคะ พวกน้ำเพืออวิชาได้รวมความว่าครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคะได้คําว่าเหมือนคนวิทน้ําเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นอธิบายว่าเปรียบเหมือนบุคคลวิตตักทิ้งน้ําในเรือที่ทําให้เรือบรรทุกหนักแล้วพึ่งไปถึงฝั่งได้รวดเร็วด้วยเรือที่เบาโดยไม่ยากนักฉันใดจัดเกิดกําหนดรู้วัตถุ ก, กรรมแล้วละ ละเว้นบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสกามละละเว้นบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกลามชันทานิวรนพยาบาดนิวรนทีนามิทานิวรนอุทจักกุกุจจนิวรนวิจิกิจชานิวอนก็จะพึงไปถึงฝั่งได้รวดเร็วโดยไม่ยากนักฉันนั้นเหมือนกัน อมตานิพานตรัสเรียกว่าฝั่งคือทมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่จะละทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคำว่าพึงไปถึงฝั่งแด้แกพึงถึงฝั่งพึงถูกต้องฝั่งพึงทำให้แจ้งฝั่งได้คำว่าถึงฝังได้อธิบายว่า ผู้ใดประสงค์จะไปสู่ฝั่งผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ถึงฝั่งได้ผู้ใดกำลังไปสู่ฝั่งผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ถึงฝั่งได้ผู้ใดไปถึงฝั่งแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ถึงฝั่งได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพราหมณ์ผู้ข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วยืนอยู่บนบกนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ พระอรหันต์นั้นถึงฟังได้ด้วยความรู้ยิ่งถึงฟังได้ด้วยการกำหนดรู้ถึงฟังได้ด้วยการละถึงฟังได้ด้วยการเจริญภาวนาถึงฟังได้ด้วยการทำให้แจ้งถึงฟังได้ด้วยการเข้าสมาบัติถึงฟังได้ด้วยความรู้ยิ่งทำทั้งปวงถึงฟังได้ด้วยการกำหนดรู้ทุกทั้งปวงถึงฟังได้ด้วยการละกิเลสทั้งปวงถึงฟังได้ด้วยการเจริญอริยมรรสี ถึงฝั่งได้ด้วยการทําให้แจ้งนิโรธถึงฝั่งได้ด้วยการเข้าสมาบัติ8พระอรหันต์นั้นถึงความชํานาญบรรลุบารมีในอริยศีลถึงความชํานาญบรรลุบารมีในอริยสมาธิถึงความชํานาญบรรลุบารมีในอริยปัญญาถึงความชํานาญบรรลุบารมีในอริยวิมุตติพระอรหันต์นั้นถึงฝั่งบรรลุฝั่งถึงส่วนสุด บรรลุส่วนสุดถึงปลายสุดบรรลุปลายสุดถึงท้ายสุดบรรลุท้ายสุดถึงความสำเร็จบรรลุความสำเร็จถึงที่ปกป้องบรรลุที่ปกป้องถึงที่หลีกเร่นบรรลุที่หลีกเร่นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งถึงที่ไม่มีภัยบรรลุที่ไม่มีภัยถึงที่ไม่จุติบรรลุที่ไม่จุติถึงที่ไม่ตายบรรลุที่ไม่ตายถึงที่ดับ บรรลุที่ดับพระอรหันต์นั้นอยู่ในอริวาสธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้วผ่านทางไกลได้แล้วถึงทิศนิพพานแล้วถึงจุดจบนิพพานแล้วรักษาพรหมจรรย์ได้แล้วถึงทิจิอันสูงสุดแล้วเจริญมรรคได้แล้วละกิเลสได้แล้วรู้แจ้งธรรมที่ไม่กลำเริบแล้วทำนิโรธให้แจ้งได้แล้วท่านกำหนดรู้ทุกได้แล้ว ละสมุไทยได้แล้วเจริญมรรคได้แล้วทำนิโรธให้แจ้งแล้วรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ได้แล้วและธรรมที่ควรละได้แล้วเจริญธรรมที่ควรเจริญได้แล้วทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งได้แล้วพระอรหันต์นั้นถอนลิ้นสลักคืออวิชชาได้แล้วผผมขู่คือกรรมได้แล้ว ขอนชาระเนียคือตัณหาได้แล้วไม่มีบานประตูคือสังโยตเป็นผู้ไกลจากฆาศึกคือกิเลสปลดทงคือมานะลงเสียแล้วปลงภาระได้แล้วไม่เกี่ยวข้องกับโยคกิเลสแล้วและองห้าแห่งนิวรได้แล้วประกอบด้วยองหกมีทมเครื่องรักษาอย่างเอกคือสติมีอปปสนณธรรมสี่อย่างมีปเจกัสัจจะอันบรรเทาได้แล้ว มีการสแสวงหาอันจละได้โดยชอบไม่บกพร่องมีความดำริไม่ขุนมัวมีกายสังขารอันระงับได้แล้วมีจิตหลุดพ้นดีแล้วมีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่จบาพรหมจันทร์เป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษถึงการบรรลุปรมัตถธรรมแล้วพระอระหันนั้นไม่ต้องปอผลกรรมไม่ต้องกาจัด ดำจัดได้แล้วดํารงตนอยู่มิต้องละกิเลสมิต้องถือมั่นละได้แล้วดํารงตนอยู่มิต้องเย็บด้วยตัณหามิต้องยกตนด้วยมานะเย็บเรียบร้อยแล้วดํารงตนอยู่มิต้องดับไฟคือกิเลสมิต้องก่อดับได้แล้วดํารงตนอยู่ชื่อว่าดํารงตนอยู่ได้เพราะประกอบด้วยศิลขันอันเป็นอเศขะด้วยสมาธิขันด้วยปัญญาขัน ด้วยวิมุติขันดํารงตนอยู่ด้วยวิมุติญาณทัศนะนขันอันเป็นอเสขะดํารงตนอยู่แทงตลอดสัจจะแล้วดํารงตนอยู่โดยการก้าวล่วงตันหาอันเป็นเหตุให้วนไว้ดํารงตนอยู่โดยการดับไฟเคือกิเลสดํารงตนอยู่โดยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดดํารงตนอยู่โดยการสมาทานทำขั้นสุดยอดดํารงตนอยู่โดยการเสพวิมุติ ดำรงตนอยู่ด้วยเมตตาอันบริสุทธ yes. ิ์ด้วยกรุณาด้วยมุทิตาอันบริสุทธิ์ดำรงตนอยู่ด้วยอุเบกขาอันบริสุทธิ์ดำรงตนอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งดำรงตนอยู่ด้วยความบริสุทธิ์เพราะไม่มีตัณหาทิฏฐิและมานะดำรงตนอยู่ด้วยความเป็นผู้หลุดพ้นดำรงตนอยู่ด้วยความเป็นผู้สันโดดดำรงตนอยู่ในขันสุดท้ายดำรงตนอยู่ในท่าสุดท้าย ดำรงตนอยู่ในอายตนะสุดท้ายดำรงตนอยู่ในคติสุดท้ายดำรงตนอยู่ในการเถกําเนิดสุดท้ายดำรงตนอยู่ในปฏิสนธิสุดท้ายดำรงตนอยู่ในภพสุดท้ายดำรงตนอยู่ในสงสารสุดท้ายดำรงตนอยู่ในวัตตะสุดท้ายดำรงตนอยู่ในภพสุดท้ายดำรงตนอยู่ในประชุมแห่งขันขั้นสุดท้าย ทรงไว้ซึ่งร่างกายขั้นสุดท้ายเป็นผู้ไกลาจากฆ่าศึกสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระขีนาศบนั้นมีภพนี้เป็นภพสุดท้ายมีประชุมแห่งขันนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและภพใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าเหมือนคนวิทน้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เพราะฉะนั้นตว์กเกิดเพิ่มมีสติทุกเมือ่อละกามทั้งหลายได้ครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคะได้เหมือนคนวิทน้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นกามสุตตานิเทศที่หนึ่งจบ ผู้หัตกะสุตตานิเทศอธิบายผู้หัตกะสูตรว่าด้วยนรชนผู้คล่องอยู่ในถ้ำคือกายพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายผู้หัตกะสูตรดังต่อไปนี้เจตพระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนผู้คล่องอยู่ในถ้ำถูกกิเลสมากหมายปิดบังไว้เมื่อดำรงตนอยู่อย่างนี้ก็จมลงในเหตุให้ลุ่มหลง ผู้เป็นเช่นนั้นแลย่อมอยู่ไกลาจากวิเวกเพราะการามทั้งหลายในโลกไม่เป็นของที่นรชนละได้ง่ายเลยคําว่าผู้ข้องอยู่ในคําว่าผู้ข่องอยู่ในถ้ำถูกกิเลสมากหลายปิดบังไว้กล่าวไว้แล้วข้างต้นอันหนึ่งคําว่าถ้าควรกล่าวถึงก่อนกายตรัสเรียกว่าถ้า คำว่ากายถ้ำร่างกายร่างกายตนเรือรถธงจอมปลวกรังนครนกระท่อมฝีหม้อหรือนากนี้เป็นชื่อของกายคำว่าผู้ข้องอยู่ในถ้ำได้แก่ผู้ข้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันอยู่ในถ้ำอธิบายว่านรชนข้องคือติดเกี่ยวเกาะติด เกี่ยวพันผัว พ, พันอยู่ในถ้ำเหมือนเสียงของที่คล้องติดเกี่ยวแขวนเกี่ยวพันติดตรึงอยู่ที่ตะปูข้างฝาหรือที่ไม้แขวนฉะนั้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าราธะผู้คล้องติดอยู่ในความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นนอนเนื่องในรูป เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้คล้องราธะผู้คล้องติดอยู่ในความพอใจความกำนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นนอนเนื่องในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้คล้องคำว่าผู้คล้องเป็นชื่อของความเกี่ยวข้อง รวมความว่าผู้ข้องอยู่ในถ้ำคำว่าถูกกิเลสมากหลายปิดบังไว้อธิบายว่าถูกกิเลสเป็นอันมากปิดบังไว้คือถูกราคะปิดบังไว้ถูกโทสะปิดบังไว้ถูกโมหะปิดบังไว้ถูกโกธะปิดบังไว้ถูกอุปนาหะปิดบังไว้ถูกมรรคะปิดบังไว้ถูกปราชปิดบังไว้ ถูกอิสาปิดบังไว้ถูกมัชริยะปิดบังไว้ถูกมายาปิดบังไว้ถูกสาเถยยะปิดบังไว้ถูกธรรมพระปิดบังไว้ถูกสารัมพะปิดบังไว้ถูกมานะปิดบังไว้ถูกอติมานะปิดบังไว้ถูกมัทะปิดบังไว้ถูกประมาทะปิดบังไว้ได้แก่ถูกกิเลทุกชนิด ทุจริตทุกทางความกระวงกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาภิสังขารทุกประเภทปิดบงังปกปิดปิดล้อมหุ้มหอ่อโอบล้อมห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุมบดบังไว้รวมความว่าผู้ข้องอยู่ในถ้ำถูกยีเลนมากลายปิดบังไว้คำว่านรชนเมื่อดารงตนอยู่ ในค and and ําว่านรชนเมื่อดํารงตนอยู่ก็จมลงในเหตุให้ลุ่มหลงอธิบายว่านรชนเมื่อดํารงตนอยู่คือผู้กําหนัดก็ดํารงตนอยู่ตามอํานาจราคะผู้ขัดเคืองก็ดํารงตนอยู่ตามอํานาจโทสะผู้หลงก็ดํารงตนอยู่ตามอํานาจโมหะผู้ยึดติดก็ดํารงตนอยู่ตามอํานาจมานะผู้ยึดถือก็ดํารงตนอยู่ตามอํานาจทิฏฐิ ผู้ฟุ้งซ่านก็ดำรงตนอยู่ตามอำนาจอุทจฉาความฟุ้งซ่านผู้ลังเลก็ดำรงตนอยู่ตามอำนาจวิจิกิกจฉาความลังเลสงสัยผู้ตกอยู่ในพลังกิเลสก็ดำรงตนอยู่ตามอำนาจอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องรวมความว่านรชนเมื่อดำรงตนอยู่ย่อมเป็นอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย รูปที่รู้ได้ทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดก็มีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเสียงที่รู้ได้ทางหูมีอยู่กลิ่นที่รู้ได้ทางจมูกมีอยู่รสที่รู้ได้ทางลิ้นมีอยู่โผฏฐัพพะที่รู้ได้ทางกายมีอยู่ ธรรมารมที่รู้ได้ทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่าใจให้กำหนัดก็มีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดธรรมารมนั้นอยู่รวมความว่านโรชนเมื่อดำรงตนอยู่ย่อมเป็นอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าถึงรูป เมื al, ่อดำรงอยู so ่ก็มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อดำรงอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ ถึงความเจริญงอกงามภัยบู์ได้รวมความว่านรชนเมื่อดำรงตนอยู่ย่อมเป็นอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในกวรวาลินการาหานอาหารคือคำข้าววิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกวรวาลินการาหานนั้นได้ วิญญาณตั้งอยูจจ่งอกงามได้ในที่ใดการก้าลงแห่งนามรูปก็มีได้ในที่นั้นความก้าวลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังขารก็มีได้ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารมีอยู่ในที่ใดความเกิดในภพใหม่ก็มีได้ในที่นั้นความเกิดในภพใหม่มีอยู่ในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปก็มีได้ในที่นั้น ชาติชรามรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใดเราก็กล่าวว่าที่นั้นมีความเศร้าโศกมีความหม่นหมองมีความขับแค้นใจรวมความว่านรชนเมื่อดำรงตนอยู่ย่อมเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าความกําหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะภิกษุทั้งหลายถ้าความกําหนัด ความเลพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในโมโนสัญญจตนาหารอาหารคือมโนสัญญจตนาภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดความ เ, ลเ พ, พลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในวิญ ญ, ญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นได้วิญญาณตั้งอยู่งอกงามได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีได้ในที่นั้น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 มีความหม่นมองมีความคับแคลนใจรวมความว่านรชนเมื่อดำรงตนอยู่ย่อมเป็นอย่างนี้คําว่าจมลงในเหตุให้ลุ่มหลงอธิบายว่ากามคุณห้าตรัสเรียกว่าเหตุให้ลุ่มหลงเพื่อรูปที่รู้ได้ทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงที่รู้ได้ทางหู กลิ่นที่รู้ได้ทางจมูกรสที่รู้ได้ทางลิ้นโผฏฐะที่รู้ได้ทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเพราะเหตุใรกามคุณห้าจึงตรัสเรียกว่าเหตุให้ลุ่มหลงเพราะโดยมากเทวดาและมนุษย์ย่อมหลงลุ่มหลงหลงงมงายในกามคุณห้าเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นจึงชื่อว่า เป็นผู้หลงลุ่มหลงหลงงมงายคือถูกอวิชาทำให้มืดบอดหุ้มหอ่อโอกล้อมห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุมบดบังไว้เพราะเหตุนั้นกามคุณห้าจึงตรัสเรียกว่าเป็นเหตุให้ลุ่มหลงคำว่าจมลงในเหตุให้ลุ่มหลงได้แก่จมลงหมกมุ่นอย่างลงดิ่งลงในเหตุให้ลุ่มหลง รวมความว่านรชนเมื่อดำรงตนอยู่ก็จมลงในเหตุให้ลุ่มหลงว่าด้วยวิเวกสามคำว่าวิเวกในคำว่าผู้เป็นเช่นนั้นแลย่อมอยู่ไกลจากวิเวกได้แก่วิเวกสามอย่างคือหนึ่งกายวิเวก ค, ความสังกัดกายสองจิตวิเวก ค, ความสังัดใจสามอุปธิวิเวก ค, ความสังัดอุปธิ กายวิเวกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมใช้สอยเสยนาสนะที่สงัดคือป่าโคลนต้นไม้ภูเขาซอกเขาช่องเขาสุสานป่าดงดิบกลางแจ้งลมฟางและมีกายสงัดอยู่คือเดินรูปเดียวยืนรูปเดียวนั่งรูปเดียวนอนรูปเดียวเข้าหมูบ้านบิณฑบาตรูปเดียวกลับรูปเดียว นั่งในที่ลับรูปเดียวอธิษฐานจงกรมรูปเดียวเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปลำพังรูปเดียวนี้ชื่อว่ากายวิเวกจิตวิเวกเป็นอย่างไรคือผู้บรรลุปฐมฌานย่อมมีจิตสงดจากนิวรผู้บรรลุทุติยฌานย่อมมีจิตสงดจากวิตกและวิจาร ผู้บรรลุตติยฌานย่อมมีจิตสงดจากปีติผู้บรรลุจตุทัชฌานย่อมมีจิตสงดจากสุขและทุกข์ผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะสมาบัตยิย่อมมีจิตสงดจากรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานตสัญญาผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนะสมาบัตย่ยอมมีจิตสงดจากอากาสานัญจยายตนะสัญญาผู้บรรลุอาคินจัญญายตนะสมาบัต ย่อมมีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนะสัญญาผู้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติย่อมมีจิตสงัดจากอากินัญญายตนะสัญญาผู้เป็นพระโสดาบันย่อมมีจิตสงัดจากสักยทิฐิวิจิกิจชาสีลพตปรามาตทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและเหาคิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับสักยติทิเป็นต้นนั้น ผู้เ <Jub> ป <ilee> ็นพระสกทาคามีย่อมมีจ <Tibetan grac> <ain> ิตสงัดจากการมราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์อย่างหยาบการมราคานุใสปฏิฆานุัยอย่างหยาบและเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับการมราคะสังโยชน์เป็นต้นนั้นผู้เป็นพระอนาคามีย่อมมีจิตสังัดจากการมราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์อย่างละเอียดการมราคานุัยปฏิฆานุัยอย่างละเอียด และเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับการมาราคาสังโยชน์เป็นต้นนั้นผู้เป็นพระอาราหันต์ย่อมมีจิตสงัดจากรูปปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชามานานุสัยภวะราคาุสัยอวิชานุสัยเหลากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับรูปปราคะเป็นต้นนั้นและสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอกนี้ชื่อว่าจิตตวิเวก อุปธิวิเวกเป็นอย่างไรคือกิเลสก็ดีขันธ์ก็ดีอภิสังขารก็ดีตรัสเรียกว่าอุปธิอมตะนิพพานตรัสเรียกว่าอุปธิวิเวกคือทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่จลละทิ้งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทน้ชื่อว่าอุปธิวิเวก กายวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีกออกแล้วยินดีในเนคขมมะจิตวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงความเป็นผู้ผ่องแผ้วยิ่งและอุปธิวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้ปราศจากอุปธิบรรลุนิพพานอันปราศจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วคําว่าไกลจากวิเวกอธิบายว่าผู้คล่องอยู่ในถ้มอย่างนี้ ถูกกิเลสมากหลายปิดบังไว้อย่างนี้จมลงในเหตุให้ลุ่มหลงอย่างนี้ย่อมอยู่ไกลจากกายวิเวกบ้างไกลจากจิตวิเวกบ้างไกลจากอุปธิวิเวกบ้างคือไกลห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ใกล้คเคียงไม่ชิดไม่ใกล้ชิดคําว่าผู้เป็นเช่นนั้นได้แก่ผู้เป็นเช่นนั้นคือผู้เป็นอย่างนั้นผู้ดารงอยู่อย่างนั้น ผู้เป็นประการนั้นผู้มีส่วนอย่างนั้นจมลงในเหตุให้ลุ่มหลงรวมความว่าผู้เป็นเช่นนั้นย่อมอยู่ไกลจากวิเวกว่าด้วยกามสองอย่างคําว่ากามในคําว่าเพราะกามทั้งหลายในโลกไม่เป็นของที่นรชนละได้ง่ายเลยได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกามสองกิเลสกาม วัตถุกามคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่น่าพอใจเครื่องปูลากเครื่อง ง, งห่มธาตุหญิงชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาที่นาที่สวนเงินทองหมู่บ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทกองพลรบคลังหลวง และวัตถุที่น่ายินดียางใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าวัตถุกลามอีกในหนึ่งกลามที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกลามที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่เป็นทั้งภายในและภายนอกกลามอย่างหยาบอย่างกลางอย่างประณีตกลามที่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพ์กลามที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่เนรมิตขึ้นเอง ที่ไม่ได้เนรมิตขึ้นเองที่ผู้อื่นเนรมิตให้กามที่มีผู้ครอบครองที่ไม่มีผู้ครอบครองที่ยึดถือว่าเป็นของเราที่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราสภาวะธรรมที่เป็นกรามาวจรที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งปวงกามที่เป็นเหตุเกิดแห่งตันหาเป็นอารมณ์แห่งตันหาชื่อว่ากรมเพราะมีความหมายว่า น, น่าปรารถนาน่ายินดีน่าลุ่มหลงเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามกิเลสกรรมคืออะไรคือความพอใจความกำนัดความกำนัดด้วยอำนาจความพอใจความดำริความกำนัดความกำนัดด้วยอำนาจความด âm ริชื่อว่ากามได้แก่ความพอใจด้วยอำนาจ ค, ค, ความใคร่ความกำนัดด้วยอำนาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ ความทะยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่ข่วงน้ำคือความใคร่กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร่กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายสมจริงดังที่พระเจ้าอัตมาสก เป่งอุทานว่าเจ้ากรามเอย๋ยเราเห็นรากเง่าของเจ้าแล้วเจ้าเกิดเพราะความดมฤตเราจกไม่ดาริถึงเจ้าอีกเจ้าจกไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อีกละเจ้ากรามเอย๋ยเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรามคาว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคาว่า เพราะการทั้งหลายในโลกไม่เป็นของที่นรชนละได้ง่ายเลยอธิบายว่าเพราะการทั้งหลายในโลกเป็นของที่นรชนละได้ยากคือสละได้ยากสละออกได้ยากย่ำยีได้ยากแก้ออกได้ยากแวกออกได้ยากข้ามได้ยากข้ามพ้นได้ยากก้าวพ้นได้ยากกลับตัวหลีกได้ยากรวมความว่า เพราะกามทั้งหลายในโลกไม่เป็นของที่นรชนละได้ง่ายเลยด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านรชนผู้คล่องอยู่ในถ้ำถูกกิเลสมากหลายปิดบังไว้เมื่อดำรงตนอยู่อย่างนี้ก็จมลงในเหตุให้ลุ่มหลงผู้เป็นเช่นนั้นแลย่อมอยู่ไกลจากวิเวกเพราะกามทั้งหลายในโลกไม่เป็นของที่นรชนละได้ง่ายเลย